กระจายเสียงในะระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเสนอ ร, รายการทันโลกทันเหตุการณ์ค่ะจาดมืงแสนไกล f the day. ตอนทราบซึ้งจึงเป็นแรงช่วยผักกันให้ฉันได้ก้าวไปถึงฝังฝันที่ฉันหวังวังนังใจต้อง วันนี้ไปได้นำความรู้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 ต่างๆออกมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะก็คิดว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภัยแรงการขาดน้ําอุปโภคบริโภคอาจะคลี่คลายไ ด, ได้ระดับหนึ่งนะครับนะก็คงจะต้องดูนะครับนะเพราะว่ามีมาตรการเกี่ยวเรื่องของการพันน้ําการใช้น้ําจากบอ่อน้ําจากเหมืองหินเอกชนมามาช่วยนะครับนะเรื่อว่าการเจาะบ่ อ, บ, อบาดานนะครับใน ใ น, ในสถานการณ์เช่นนี้ก็เติมน้ําเข้ามาเนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่คงจะต้องดูนะน่าจะคลี่คลายแต่ว่าก็คงจะต้องมีการวางมาตรการคเ น, นระยะยาวนะครับว่าจะทําอย่างไรในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของของน้ำนะครับน่ยมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องการประกันราคาข้าวนะครับในวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาที่ทําเนียบ ร, รัฐบาล ส่วนเอกประยุทธ์เนี่ยไปกล่าวเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบคนะครับว่ า, ารัฐบาลนี่ก็จะมีมาตรการที่จะนําการประกันราคาข้าวมาใช้นะั่นเงมอบหมายให้นายจุรินลักษณะวิสเศษรองนายกรีรัมตีพาณิชนะเป็นคนชี้แจงซึ่งนายจุรินก็บอกกับที่ประชุมว่าก็ที่ประชุมอนุมัตินะครับโครงการ การรายได้ราคาข้าวแล้วก็ยังอนุมัติมาตรการคู่ขนานช่วยเหลือชาวนานะในต้นทุนการผลิตและการเก็บเกี่ยวนะอย่างเช่นข้าวเปลือกห้าชนิดก็คือข้าวหอมมะลนะิสนับสนุนตันรัให้ได้ตันลับห0 0 0นานบาทนะครัวเรือนละประมาณ14ตันนะต่อครัวเรือนข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ก็ตันละประมาณ 14,000 บาท จำนวน16หตันนะครับข้าวเจ้าก็จะตันละมื่นบาทจำนวน30สตันนะครับข้าวหอมปทุมธานีก็าตันละหนึ่งมพบาทจำนวน25ตันข้าวเหนียวก็ตันละ1ม0่นพันบาทจำนวนส6บหตันต่อครอบครัวและครับนะก็ใช้เงินก็ประมาณประมาณสองหมืนึ่งล้านบาทนะซึ่งในโครงการข้าวนาปลีนะส่วนโครงการ ช่วยค่าเก็บเกี่ยวหรือสนับสนุนการผลิตก็จะช่วยจำนวนเงิน500บาทต่อไร่นะนะจำนวนครัวเดือนละไม่เกิน20ไร่ก็ถือว่าเป็นโครงการคู่ขนานนะครับซึ่งก็จะมีการนำเข้าที่ประชุมคลรโมวันที่27สิงหาคมนีนะ้และนอกจากนี้นี่ก็นะเป็นมาตรการที่ลงมาเร่งด่วนเกี่ยวกับเรื่องของการประกันราคาข้าวก็เน้นที่มีการ ช่วยเหลือประชาชนในในระดับฐานรากล่ะครับนะว่ า, วาจะทําอย่างไรนะครับที่จะช่วยเหลือตรงนี้นะส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการาแจกเงินผ่านบัตรสวัสดิการของรัฐหรือสื่อมวลชนไปแจกเงินคนจนนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงการคลังในวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยกรมบัญชีกลางก็จะเริ่มนะโอนเงินตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนะข้าบัตร สวัสดิการแห่งรัฐเรืองบัตรคนจนห่วงเงินประมาณ2 0,000 ล้าน 20,000 ล้านนะครับให้แก่ผู้ถือบัตรนะจํานวน14บสี่ล้านห้าแสนคนนะก็คือคนที่มีการขึ้นบัญชีไว้แล้วว่ายากจนนะครับโดยสามารถที่จะนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปซื้อสินค้าและบริการนะตามร้านค้าที่ที่กําหนดแล้วนะครับแล้วก็ถอนเป็นเงินสดก็ได้นะครับ ก็ว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งเงินจานวนนี้ก็แบ่งออกเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยนะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับ500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลาสองเดือนนะครับมาตรการเร่งด่วนที่ทำแค่แค่สองเดือนเท่านั้นนะก็จะเริ่มโ่นวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ก็ต้องไปรอรับเราจะเห็นชาวบ้านไป ยืนอยู่ตามตู้ ATM ีเะครับนะเริ่มที่จะรับเงินมาใช้จ่ายนะครับนะใช้จ่ายก็ทยอยโอนกันมาเรื่อยๆตามตามลำดับเลขที่บนบัตรประชาชนแล้วอีกมาตรการหนึ่งนี้ก็คือการช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการนะอีกคนละ5 0าร้อบาทคือผู้สูงอายุนี่ก็จะได้มากกว่าชาวบ้านทั่วไปนะครับเพื่มอมีคนละ500้อ ให้แก่ผู้สูงอายุอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปแล้วครับท่านที่มีอายุ60ปีนี่ไปรับได้นะครับนะก็จะรับผ่านบัตรสวัสดิการก็จะมอบให้จำนวน2เดือนเดือนสิงหากัญญานยะา2เดือนนี้นะครับก็มีผู้สูงอายุได้รับสิทธิ์ประมาณ5ล้านบนะครับนะซึ่งจะโอนเข้าบัญชีเข้าบัญชีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่24สิงหาคมนี้นั้นจะเป็นมาตรการที่รัฐบาลอัดฉีดลงมานะครับและนอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการนะให้ได้รับสิทธิ์นะครับในการดูแลเด็กแรกเกิดนะของคนที่รับผิด ช, ชอบคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับกนะ็มีการจ่ายให้300บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา2เดือนเหมือนกันนะครับคือเดือนสิงหากันยาก็มีจํานวนนะในส่วนของคุณแม่ที่มาขึ้นทะเบียนไว้ประมาณแ0 0 0 0นรายก็จะนะรเริ่มในการโอนเข้าบัตรเดือนแรกวันที่24สิงหาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนี้ก็เป็นเป็นสา ม, มาตรการมีเอาโอนให้กับคนจนคนยากคนจน14ล้าน 500,000 คนนะครับนะแล้วก็มีการโอนให้กับผู้สูงอายุนะ ใ น, ในช่วงสองเดือนนี้ท่านนะครับสิงหากันยาแล้วก็มีการโอนให้กับคุณแมนะ่ที่เลี้ยงดูบุตรนะครับนะก็คนละ300บาทต่อคนต่อเดือนนะก็จะมีเม็ดเงินที่จะมาหมุนเวียนนะครับอยู่ใ น, ใ น, ใ, นในระบบเศรษฐกิจนะก็จะกระตุ้นให้นะเศรษฐกิจนะจะกระเตื้องขึ้นนะครับเพราะช่ช่วง น, นี้เศรษฐกิจค่อนข้างที่จะหดตัว หนักพอสมควรนะครับนะค่อนข้างที่จะหดตัวนะครับนะก็เป็นฟืดเครื่องแล้วครับนะทำอย่างไรก็ตามที่จะมีการกระตุ้นนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้กันขึ้นมารัฐก็มีมาตรการนะครับในการที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็มีกันหลากหลายแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยในส่วนของอสอสอของอฝ่ายค้านนะครับนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีการประชุมสภาผู้แทนกันนะทุกวันวันพุธเนี่ยนะครับพุทธหัเนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันอย่างเช่นเมื่อวันที่22เนี่ยมีการประชุมสภาสภาผู้แทนแอาษฎรมีการตั้งกระทู้สดถามโดยในสรันวุฒิสรันเกตสกสอุตรดิตเพื่อไทยตัวกระถามเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจนะว่าก็ มองว่าใช้งบประมาณประมาณส0 0 0 0 0ล้านเนี่ยนะครับจะอาจจะลงไปอาจจะลงไปไม่ถึงข้างล่างนะครับนะอาจจะเป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุดก็เป็นการวิาพากษ์วิจารณ์กันไปนะบอกว่าเงินจะหมุนเข้าไปหาเจ้าสัวนะครับที่ผ่านนะระบบนะเกี่ยวกับเามีบรรดาห้างห้างร้านต่างๆนะทีนะ่เป็นเครือข่ายนะครับในการขายสินค้าให้กับคนยากคนจนนะเป็นการสะท้อน มุมมองของของสภาผู้แทนรัษฎรนะครับนะเพราะนั้นคือตรงนี้ก็คงจะต้องดูนะครับว่าอาจจะกระตุนได้หรือไม่มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะครับและในส่วนข อ, ของการทำหน้าที่ของของสสก็ถูกตรวจสอบถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันในกรณีที่มีสสนะครับกุณศี่ละเจนจาค่าสสกทมพลังประชาลงไป แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ภูเก็ตนี่ก็กุณศรีสุวรรณจันญาเลขาธิการสมาคมองค์กรพิทักษ์รนุนไทยก็ไปยื่นคำร้องให้ปปชดีไต่สวนนะครับว่าเป็นพฤติกรรมไปแทรกแซงข้าราชการประจำนะครัเป็นเป็นข้อห้ามนะของของสอสอนะครับเพราะนี้งคงจะต้องดูนะครับก็เป็นการตรวจสอบกันไปตรวจสอบกันมานะครับนะก็ทําให้ าการทำงาน่มันดีขึ้นนะครับนะเพราะนั่นก็ต้องติดตามดูกันต่อไปมารับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยต่อครับ คงได้สมใจเกลียดที่ฉันรักเธอมากไปเกลียดจนหมดหัวใจก็ ค, คงได้ ได้สมดังใจนี้เกลียดที่ฉันรักเธอมาไปเกลียดจนหมดหัวใจบคงได้รักใจกเกลียดนอะไรมักได้อย่าง น, านั้นเกลียดเกลียดเธอเหล่ากันฉันคงได้สมดังใจเกลียดที่ฉัน มาพูดมาคุยกันต่อไปนะครับซึ่งใ น, ในช่วงนีใน้ในส่วนของรัฐบาลมีการตั้งทีมงานเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับมาเสริมนะทีมงานของรัฐบาลอย่างเช่นทีมโฆษกรัฐบาลนะก็มีการนะตั้งผู้ช่วยเข้ามาสองคนนะครับคือมีนางสาวรัชดาธนาดีเรกจากประชาธิปัตย และนางสาวไตสุรีไตสารณกุลจากภูมิใจไทยมาเป็นผู้ช่วยนะครับเป็นเป็นรองโฆษกนะก็เป็นโฆษกเป็นเป็นผู้หญิงสามคนเลยทีเดียวทีมสามสาวคือโฆษกประจําสํานักนายกนี่ก็คือนางนารามนมลินพินโยสินวัฒนะ์ก็เป็นหลักอยู่แล้วนะครับนะ ก, ก็คิดว่าจะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องผลการทํางานรัฐบาลได้ดีขึ้นนะครับนะรวมทั้งมี หากการตั้งข้าราชการการเมืองนะให้กับสอสอที่ที่ที่สอบตกบ้างนะสอบได้บ้างนะครับมามามาช่วยเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมตรีนะครับนะกระจายกันไปนะในส่วนของกระทรวงต่างๆอย่างเช่นนายอำนวยคังผานี่จากพลังประชายรัฐก็มาเป็นรัฐตรีมาเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐตรีของสำนักนายก นายคำอำนวยคำผาในทวีสุรบาล น, นายทศพลเพง่งส้มนะครับซึ่งนายธีรทัศน์เดี่ยวเจริญโสภาพวกนี้นะครับนะนายสุพรอัตถาวงนะก็พลังประชารัฐคือแรมโบ้ออีสาตนตะกอนนะครับแะนายนิทัศตลายวานะครับนะแล้วก็นายสินทุไตรจักพวกนี้มาเป็น ประจําสํานักนายกมาช่วยงานนะครับมาช่วยงานตั้งมาช่วยงานนะครับแล้วก็มีในส่วนของกระทรวงต่างๆประจํากระทรวงอย่างเช่น น, นายนราพั์แก้วทองรองหัวหน้าประชาธิ ป, ปัตย์ก็มาเป็นผู้ช่วยน้ำตีประจํากระทรวงกรเกษตรนายเนยวินชอชัยทิพย์อดีตผู้สมัครสสพลังประชารัฐก็มาเป็นผู้ช่วยน้ำตีประจํากระทรวงดิจิตอล ในสุลพรเดานในตั้งตระกูลซึ่งเป็นอดีตสสนะกรรมการบริหารพลังประชารัฐ ก, ก็มาเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงพลังงานอย่ น, นี้เป็นต้นนะครับนะก็ตั้งหลายๆคนเข้ามานะครับเป็นผู้ช่วยนะรัฐมนตรีนะครับใ น, ในแต่ละกระทรวงนะครับในการที่จะม า, าช่วยงานนะครับช่วยงานกันรวมทั้งพักเล็กๆนะพักเล็กๆนะพั ก, ล, ก, ล, ก, พกละหนึ่งเสียง ของเสียงที่มีการบวยวายมีการประชุมนะว่าจะไปเป็นฝ่ายข้านิสระตอนหลังก็กลับตัวมาร่วมรัฐบาลก็มีการตั้งให้มาเป็นในส่วนของประจําสํานักนายกตรีนะครับนะก็เป็นมากรอบด้วยอย่างเช่นนายพิพัฒน์ธรรมสิทธิ์นะจากพรรคพลเมืองไทยนายนิพนธ์ชื่นตาพรรคประชาไตายใหม่นายทองจันจันเตรองหัวหน้าพรรคพลัง ไทยลักไทยอะไรทำนองนี้พักเล็กๆน้อยๆ น, นี่ก็ตั้งม า, ามาประจําในส่วนของสํานักนายกนะก็เป็นเป็นตำแหน่งนที่ที่บอบให้นะครับส่วนนายเทวันลิบตาพันลบรัมจีประจําสํานักนายกลําตรีก็ให้กํากับดูแลอสอมทนะครับดูแลเกี่ยวกับเรื่องสื่ออสอมทนี่ก็คือสื่อที่ช่องก้าวครับในการที่จะเสนอเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารอะไรต่างๆนี่ก็ มีการตั้งพักเล็กเสริมเข้ามานะครับในในส่วนนี้นับเพราะะนัีนคงนี้ก็ก็เป็นการปรับตัวของในส่วนของของของรัฐบาลนะครับว่าจะทำทำอย่างไรนะครับรวมทั้งในส่วนของนายสมคิดจาตุสีพูเท็จพิทักษ์เนี่ยรองนายุตรรีก็บอกว่าจะมีการดันรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดเ a i นที่เชื่อมระหว่างแม่สอดกับมุกดาหารนะครับเพื่อการ มาฟื้นเส้นทางอีสต์เวสคอร์รดร์หรือว่าระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกคือเชื่อมเนะชื่อมจากในถนนที่เชื่อมจากในส่วนของเวียดนามผ่านลาวนะมาไทยไปพมา่านะครับแล้วอาจจะทะลุไปอินเดียที่เขาเรียกว่าอีส์เวสคอร์รดอร์หรือว่าเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกไปไปตะวันตกจะเริ่มมีการลื้อฟื้น mm hmm. เพราะฉะนั้นนี่ใครที่มี มีที่มีทางอยู่ในเส้นทางดังกล่าวนะครับก็จะราคาจะสูงครับกับมีการเตรียมเตรียมไว้นะครับนาะยสมคิดรองนายยงตรีก็เปิดเผยว่ามีการหาลือกับนายชิโรซาโดชิมาซึ่งเป็นเอกอัครราชาทูตญี่ปุ่นของประจำประเทศไทยก็มีการพูดถึงความเป็นไปนได้ของการลงทุนรถไฟความเร็วสูงนะครับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ นะตะวันออกตะวันตกอิสเวตคอริดรนะครับจากจังหวัดมุกดาหารมายังอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งญี่ปุ่นก็บอกว่าจะมีการศึกษานะครับนะมีการทาวิจัยศึกษาความเป็นไปได้อีกทีนึงนะครับแล้วก็มีการจะประสานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือไจก้านะครับซึ่งก็บอกว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะซึ่ง เส้นทางนี้ไทยเราเคยหาเลยกับญี่ปุ่นไว้นานแล้วว่าต้องการให้เกิดนะการลงทุนนะครับเพื่อที่จะเสริมเส้นทางระบบรางในอนาคตนะครับเนื่องจากมองว่ามีศักยภาพในการสามารถเชื่อมโยงตั้งแต่เวียดนามกัมพูชาไทยเนะมียนมาอาจจะทะลุปไปจนถึงอินเดียเนี่ยหะครับนะพอพม่า ก, ก็ติดกับอินเดียก็จะทาให้เศรษฐกิจพิเศษ ชายแดนไทยอาจจะเติบโตมากขึ้นเพราะว่าเรามีเศรษฐกิจพิเศษนะไปตั้งอยู่แถวบุกดาหานี่ก็มีนะครับนะตรงบริเวณแถวแถวใกล้ๆ ก, ก, กับสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็ในส่วนของแม่สอดจังหวัดจังหวัด ต, ตากเป็นจุดเชื่อมกับพมา่านี่ก็มีนะมีการโครงการที่จะส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเพราะนี่ก็ตรงนี้นี่ก็จะหาลือกับ องค์กรใจกล้าต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นี่ในส่วนของเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นก็ได้กําชับถึงความสําคัญของการศึกษาในรูปแบบการส่งเสริมการฝึกหัดสายอาชีพนะครับนะัคือสนใจเกี่กับเรื่องของอาชีวะนะครับในญี่ปุ่นนะคือถ้ามีการฝึกฝนะึกหัดการทํางานสายอาชีพนะพัฒนาการเรียนการสอนให้มันสอดคล้องกับความต้องการของ โรงงานอุตสาหกรรมนะครับนะก็คงจะเน้นทางทางอาชีวะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะซึ่งของญี่ปุ่นนี่เขาเรียกการผลิตแบบนี้นะว่าเป็นโมเดลที่เรียกว่าโคเชนนะครับซึ่งการการการที่มีการสอนนักศึกษาอาชีวะแล้วก็ไปทำงานตามโรงงานนะสอนด้วยทำงานฝึกงานไปด้วยก็จะทำให้พร้อมในการทำงานตามโรงงานได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็มีการมีการ คุยกันพูดคุยกันนะครับนะว่าจะทำอย่างไรเราจะติดต่ อ, อยังไรนะครับมีการรองนายกบอกว่ามีการหาลือกับนายเยฟเกนนะี่ซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตรัสเซียนะของไทยนะครับมีการหาลือกันบอกว่ามีโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะระหว่างไทยกับรัสเซียก็มีการหาลือกันหลายส่วนนะครับนะทั้งในส่วนของเทคโนโลยีพลังงานการเงิน การเพิ่มมูลค่าทางการค้าของสองประเทศให้เพิ่มมากขึ้นคือเราค้าขายกับรัเสเซียนี่อย่างน้อยอยู่เมื่อเทียบกับทางยูทางสหภาพยุโรปกับทางสหรัฐนะเราก็ค้าขายกับทางรัเสเซียนี่น้อยนะครับนะต่อไปถ้าเพิ่มตลาดสินค้าในรันเสเซียก็จะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะเพราะว่ามีการถ้ามีการขยายไปมีการเจรจากันนะก็จะทําให้การค้าการขายนี่น่าจะ ลดหน้ามากขึ้นนะครับวันตรงนี้คงคงจะต้องดูนะครับมีมาตรการอันในหลายหลา ย, หลายส่วนในการที่จะไปไปกระตุ้นนะครับนะไปกระตุ้นเนีเรื่องของการค้าการขายอะไรต่างๆนะครับมาดูการคาดการว่าถ้ามีการอัดฉีดเม็ดเงินลงไปนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะเติบโตกันมากน้อยเท่าไหร่ซึ่งทางหอการค้ามาอลไรหอการค้าไทยก็ใน ธนวัฒน์ลวิชัยก็บอกว่าน่าจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 3, 3. นะถึง 3.5 ้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเราอัดฉีดลงไปหรือไม่ไม่อย่างนั้นถ้ามีการหดตัวก็อาจจะหดตัวลงมาเล็กน้อยนะครับก็มองมอ ง, มองในแง่ดีนะครับมองในแง่ดีของในส่วนของหอการค้าก็คงจะต้องจะต้องดูแ่ะครับนะว่ามาตรการที่เราอัดฉีดม่เงินไปในระบบเศรษฐกิจฐานลานะโดยเฉพาะการประกันรายได้ ข้าวยางนะครับมาตรการชอบช่วยชาติในช่วงปลายปีนี้หรือว่ามาตรการเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินนะครับนะมามาใช้จ่ายเงินมากยิ่งขึ้นเนี่ยจะจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ได้หรือไม่นะครคงต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการเราชีวิตจะสั้นเพราะควนบุรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบุรีครับสำหรับวันนี้ผมนิรันดร์กุลทานันต้องขอละ ท่า น, นไปก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ